ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้จะพูดเรื่องพระอนุรุธทธเทระต่ อ, อไปวันก่อนก็พูดมาถึงบทประกาถาที่ว่าเราได้ถือการนั่งเป็นวัดมาเป็นเวลาห้าสิบหปี กำจัดความง่วงเหงาหานอนมาด้วยแล้วเป็นเวลา25ปีนี่เป็นการแสดงถึงหลักการปฏิบัติของท่านการใช้เดียบดนั่งนั้นเขาเรียกว่าเนสัตที่กังคตุดงคือยืนเดินนั่งแต่ไม่นอนตอนเมื่อไม่นอนร่างกายเนี่ยมัน เนโลกิยะนะมันก็ต้องง่วงบ้างันทั้งก็ต่อสู้กับความง่วงอยู่25้าปีและจากนั้นมาก็ลงตัวเป็นปกติทุดงเหล่านี้เป็นทุดงที่ค่อนข้างเอาจริงเอาจังมากเพราะว่าตามปกติแล้วมนุษย์เราอิเรบทก็ต้องสม่ำเสมอกัน คือยืนเดินนั่งนอนแต่ว่าท่านใช้อิยาบทยืนเดินนั่งเป็นหลักโดยไม่นอนแล้วก็เน้นไปที่การนั่งเน้นปฏิการนั่งซึ่งหมายความมายืนก็เดินก็จะน้อยลงกว่านั่งข้อต่อไปท่านกล่าวว่า เวลาที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันทัปปิฎิภานภิกษุทั้งหลายถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จดับขันทัปปิฎิพานแล้วหรือยังเราได้ตอบว่าคือตอนที่พระพุทธเจ้าคือก่อนจะปัปปิพิานเนี่ยมีภารกิจต่างๆเป็นอันมากที่พระเจ้ารับสั่งอยู่บนพระแท่น คือหมายความว่าพระองค์นั้นประทับสัยาติแล้วเป็นการสัยาติแบบอนุถานสยาคือจะไม่ลุกขึ้นอีกแล้วแต่พระโอษฐ์ก็ยังรับสั่งอธิบายชี้แจงสั่งสอนธรรมะแก้ข้อข้องใจสงสัยของบุคคลต่างๆโดยลำดับ มาจนถึงได้ให้บูตรได้ให้การอุปสมบทแก่สุภัทภปริภาชกสุภัทภปริภาชกก็หลีกไปปฏิบัติกรรมฐานบรรลุมรรคผลเป็นประหานทันการนิพพานของพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าเวลาก็เฉียดฉิวทีเดียวก็อยู่ในช่วงคืนนั้นแหละ แล้วก็สั่งสอนอะไรเป็นอันมากปชิมมพุทธพจน์ ท, ที่รับสั่งรับสั่งว่าอามันตายามีโวพิกเวยยธรรมาสังคาราอั ป, ปมาเดนะสัมปะเดตะดูก่อนพิสูท่ทั้งหลายเราก็เตือนเธอเธอทั้งหลายทราบไว้สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา เธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้สมบูรณ์คนนี้ถือว่าเป็นปชิม พ, ภ พ, ภพุตพจนธเป็นการรับสั่งครั้งสุดท้ายจากนั้นพระองค์ก็เริ่มข้าชาติข้าชาติก็คือสมบัติ8นั่นแหละรูปชาติสี่รูปชาติี่ก็เข้าไปหนึ่งสองสามสี่ที่รูปชาติ แล้วก็ไปต่อที่อรูปประชานหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ถอยกลับมาจากอารูปประชานสี่สามสองหนึ่งแล้วก็มาต่อที่อรูปประชานสี่สามสองหนึ่งแล้วก็เข้าไปที่รูปประชานหนึ่งสองสามสี่แล้วก็หยุดออกจากอารูปประชานไม่ใช่ออกจากรูปประชานที่สี่ แล้วก็ น, นิพพานทีนี้พระส่วนใหญ่เนี่ยแม้จะเป็นพระญาบุคคลแต่ว่าท่านก็ไม่ชำนาญระดับที่จะเข้าฌานตามสเสด็จพระพุทธเจ้าคือจากใจสู่ใจกันทีเดียวคือดูใจกันเห็นเลยแต่พระนรุธท่านก็นั่งสมาธิอยู่ตรงนั้นก็ติดตาม การเข้าฌานถอยจากฌานนะถอยจากฌานไม่ใช่ออกจากฌานคือถอยมาแหละถอยก็เป็นออกนั่นแหละตํนนองใกล้ๆก็เราเดินเข้าไปในที่แคบๆ แ, แต่ว่าตอนออกเราก็เดินถอยหลังเพราะว่ามันแคบมากพระเจ้าก็นิพานระหว่างฌาน ปัญหาสำคัญว่าทำไมจึงนิพพานระหว่างฌานคืออย่าลืมว่าถ้านนิพพานในฌานเนี่ยก็แสดงว่ายังมีกิเลสและท่านเหล่านี้ตายไปก็บังเกิดในภูมิของฌานนั้นๆเช่ น, น, นสมมติว่านิพพานในจตุทฌานก็จะบังเกิดเป็นพรหมชั้นสูง ส่วนหนึ่งก็เป็นอสัญญีสัตาที่เราเรียกว่าผมลูกฟักอยู่นานดีกาเลก็ เ, เป็นการพักสังสารวัติอยู่ระยะนานมากๆแต่ทีนี้เมื่อนิพานนอกจากฌานมันก็ไม่มีพบนะครับเพราะชานมันเป็นกุศ ล, ลกรรมแต่จะนำไปสู่พบ การนิพพานจึงไม่มีชาติไม่มีภพเพราะไม่มีกิเลสเป็นเหตุสร้างชาติภพตอนนี้พระนรธธุธท่านบอกว่าลมหายใจเข้าและลมหายใจออกไม่ได้มีแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีพระไตรตั้งมั่นผู้คงที่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงมีพระจักรสู ผู้ไม่มีเป็นปัญหาตันหาเป็นเครื่องทำใจหวั่นไหวทรงทำปรนิพานให้เป็นอารมณ์สเสด็จปรนิพานแล้วตอนนี้พระเจ้าอนิพานแล้วนิพานโดยอนุปาทิเสสนิพานธาตุหรือดับทั้งกิเลสแล้วก็ดับทั้งขันคือกิเลสนั้นดับมานานแล้วสี่สิบห้าปีมาแล้วแต่วันนั้นก็ดับขันด้วยกะดับทั้งสองอย่าง ลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่ได้มีคือไม่มีแต่มีแต่เหมือนไม่มีเนี่ยมันตอนที่ลมละเอียดมากๆตอนเจริญา น, านาปานาสติลมละเอียดมากๆแล้วก็สัมผัสไม่ได้ร อ, อยู่ระยะหนึ่งนะฮะอันนี้เรียกว่ามีแต่มันไม่มีแต่ไม่ใช่ไม่มีแต่มันมี แต่นี้พอนิพพานก็พูดง่ายๆว่าคนตายนะฮะคือไม่มีลมหายใจเขา้าออกพระไตยของพระองค์ตั้งมัน่นนี่ก็ธรรมดานะฮะพระพุทธเจ้าไม่มีกิเลสเป็นเหตุนะไม่ตั้งมัน่นก็ตั้งมัน่นโดยมีนิพพานเป็นอารมณ์กำหนดอยู่ชี่ตัวนิพพาน คนโง่จึงคงชี้ไม่หวนไหวยไปตามกระแสอารมณ์ไม่ว่าจะมีลักษณะเป็นอย่างไรก็ตามกระตุ้นให้เกิดความยินดียินร้ายอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ไม่มีความยินดียินร้ายในอารมณ์นั้นเรามีจักสุขที่เราสวดสรรเสริญพระองค์ว่าพร้อมเป็นจ้พิจักสุจรัตไปมนณไส เห็นเหตุที่ใกล้ไกลก็เจ็นจบประจักษ์จริงพระญานั้นมาประกอบด้วยจักษุห้าประการคือมังสาจักษุได้แก่ดวงตาเนื้อนั่นแหละแต่เป็นผลของบารมีธรรมที่มีพระเนตรแจม่มใสผ่องใสไม่พร่ามัวไม่ขุนมัวตั้งแต่ทรงพระเยาว์มาจนพระชนพรรษาแปดสิบเนี่ยก็ มองอะไรก็ชัดเจนจ่ใสเมือแกันถึงผิดกระโนยุกเรานะฮะใแว่นกันเยอะแต่มาเองก็ใช้แว่นมานานแล้วก็ไม่รู้ตัวว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นนั่งเรียนหนังสือดูไปดูมาไม่เห็นหนังสือที่กระดานไปให้หมอตรวจดูปรากฏว่าตัดแว่นแล้วก็สวมแว่นเรืมา แสดงว่าบารมีเราน้อยขนาดบุญกุศลที่จะสร้างดวงตาให้มีประสิทธิภาพมันก็ยังไม่ถึงแต่พระเจ้าทรงมีพระบารมีสมบูรณ์อันนี้เป็นวิบากขันนะเป็นวิบากขันคือขันที่เป็นผลของบุญของบารมีธรรมที่ทรงอบรมสั่งสมเอาไว้ประการที่สองปัญญาปัญญาจากสุ ดวงตาคือปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงความจริงในสิ่งเหล่านั้นเป็นอย่างไรพระองค์ก็เห็นแจ้งอย่างนั้นก็ทำให้พระไทยไม่ยึดมั่นถือมั่นในเรื่องอะไรในโลกเรานี้ถ้าเราเข้าใจอะไรตามความจริงแล้วไม่มีอะไรที่น่ายึดมั่นถือมั่นเลย ประตัวของเราเองเอานิยยไม่ได้ยึดมัน่นถือมัน่นมันอย่างไรมันก็ตายเขาบมานะกล่ า, าจะเจ็บมันก็เจ็บกราจะตายมันก็ตายมนียาโยมก็าถามเรื่องโรคประจำตัวอยู่บ่อยมันก็มีอยู่หลายโรคมีทั้งเบาหวานมีทั้งหัวใจมีทั้งระบบช่องท้องมีท้งการนอนไม่ค่อยหลับอะไรต่ออะไรเนี่ย เราก็ถามด้วยความเป็นห่วงบอกว่าไม่เป็นไรรอกโยมมาด้วยกันก็ไปด้วยกันเวลาตายมันหาเองอ่เราตายมันก็หายไปด้วยคือถึงเราจะยึดมัน่นถือมั่นจะไปพิจกกกังบนจะไปเครียดอะไรกับมันก็เสียเวลาเปล่าๆปล่อยมันไปเพราะยังไงเราก็ไปแล้วเราก็ไปด้วยกันอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าเราไปเมื่อไรมันก็ไปเมื่อ น, นั้นก็ตไม่ต้องเดือดร้อนเกือมาเป็นคนค่อนข้างอึดอัดกับคนที่ชอบเล่าอาการป่วยของตัวเองบางคนเจอแล้วพูดแต่เรื่องอาการป่วยของตัวเองแล้นะบอกว่าพูดมันทำาอะไรหรอกมันแก้ปัญหาอะไรไปรยึดมัน่นถือมั่นว่าเราป่วยเราป่วยเราป่วยเราป่วยเราป่ว ย, วยแล้วมันได้อะไรขึ้นมาครับ เออถ้าว่าไปเล่าไปบอกแล้วมันหายก็ดีอย่างหนึ่งแต่ตาคนนี้เขาวงใหญ่เราเขาก็าพลอยเดือดร้อนเปล่าเเราเดือดร้อนคนหนึ่งแล้วด้วยโรคคนอื่นก็เดือดร้อนเพราะวิตกกังบนเรื่องเราเป็นโรคไม่ต้องไปเพื่อแพร่คนอื่นก็หลอกจะรักษาก็รักษาไม่รักษาก็ไม่รักษาก็เหมือนกันแล้วก็ตายเหมือนกันรักษาก็ตายไม่รักษาก็ตาย สำหรับโรคที่จะทําให้เราตายนะเพราะว่าโรคมันมีอยู่สามประเภทคือรักษาหรือไม่รักษาก็หายรักษาต้องรักษาจึงหายไม่รักษาไม่หายโรคอย่างหนึง่งจะรักษาหรือไม่รักษาก็ตายเพราะคนเราพอถึงขั้นรักษาแล้วมันก็สองอย่างท่านนั้นเองก็ปล่อยมันไปปรเดี๋ยวก็ตายเองหรือประเดี๋ยวก็หายเองเพราะว่าเจ้านั้นท่าน ไม่ขึ้นไม่ลงเขาเรียกว่าณอุจจาวจังรัศยันติปัณฑิตาบัณฑิตจริงๆเนี่ยไม่แสดงอาการขึ้นลงพระพุทธเจ้าเป็นสุดยอดของบัณฑิตคือไม่ขึ้นไม่ลงไม่ว่าจะเป็นสุขจะเป็นทุกข์จะเป็นเรื่องยินดียินร้ายสำหรับชาวโลกแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ยินดียินร้ายอะไรกับเขา เพราะโรงมีพระปัญญาจักสุเข้าถึงความจริงที่แจ่มแจ้งอย่างสมบูรณ์ที่แท้จริงและวพระองค์ก็มีทิปจักสุสามารถมองเห็นสิ่งทั้งหลายที่นอกวิสัยของตาเนื้อแล้วก็ยิ่งกว่าการมองโดยโทรทั์และจุดทะทั์หมายความว่าโทรทั์ถึงจุดหนึ่งก็ตัน จุดละทัดละเอียดมากไปก็ตัดก็เห็นไม่ได้แต่ว่าทิพยักสุเนี่ยมันไม่มีจุดคำว่าตันเมื่อต้องการจะเห็นก็เห็นเป็นผลมาจากการสัตว์รู้แสดงให้เห็นว่าพัฒนาการของมนุษย์ที่เราไปเล่นวัตถุ ก, กันเนี่ยคุณสมบัติเหล่านั้นถ้าเราเล่นในด้านจิตใจแล้วเนี่ยมันใช้บวกอย่างเดียวไม่มีใช้ลบเลย แต่ว่าชาวบ้านที่เขามีกล้องสมมติว่าสามารถจะมีกล้องส่องทะลุเสื้อผ้าคนได้ในยุ่งใจนะนะมันใช้ไปยุ่งายเลยมีตาทิพย์มองเห็นทรัพย์สมบัติของคนวางไวตงตง้ตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นโน้ขโมยเต็มบ้านเต็มเมืองเลยเพราะว่าจิตใจมันไม่ได้พัฒนามันก็ใช้แต่ตัววัตถุ ใช้เครื่องมือตัววัตถุต่างๆที่จะสองเวลาเนี้เราก็ใช้อะไรอยู่เยอะบา ง, งทีก็ใช้ไปในเรื่องยาปลนูนสกโปรกรลามกบางทีก็ใช้ไปในทางที่จะแสวงหาประโยชน์จากคนอื่นแต่สรุปว่าเราไม่ได้พัฒนาจิตสำนับที่เหมาะสมในการใช้เครื่องมือเหล่านั้น แต่ของพระพุทธเจ้านี่นพัฒนาจิตขึ้นไปด้วยจิตมันพัฒนาตามขึ้นไปพระองค์มีทิพระเนศมีทิพประการมีหูทิพปีตราชีพแต่ดูด้วยความอนุเคราะห์ต่อสัตว์โลกดูเพื่อจะช่วยไม่ใช่ดูเพื่อจะดูแล้วก็หาประโยชน์จากการดูเวลาจะฟังเสียงทิพย์ก็ฟังเพื่ออนุเคราะห์ขาว เออพิสูตั้งวงคุยกันคุยกันเรื่องอะไรมีความข้องใจสงสัยในเรื่องอะไรบ้างไหมแต่ข้องใจสงสัยถ้ามีความขัดแย้งอะไรพระองค์ก็เสด็จไปช่วยมันมาจากการุณาใช้เครื่องมือเหล่านี้ไปด้วยพระไทัยที่กรุณามันสุดๆุดแล้วนะฮะคือใช้ไปที่การุณานี่สุดๆุดละมันเหนือเมตตาอีกนะกรุณาเนี่มันเหนือเมตตาไป จิตมนุษย์มันพริกกลับมรลอยระ360องศาแหละิกหน้ามือไปหลังมือเลยนี่ก็คือเป็นทิปประจกักษ์สุแต่ใช้บวกไม่ได้เครื่องมือกล้องสองทางไกลกล้องอะไรต่างๆต่างๆที่เขาใช้กันในปัจจุบันบางทีก็ใช้ไปในงานจารกรรมต่างๆก็ อ, อย่างนึกว่าต่อไปนี่เราจะระมัดระวังมากยิ่งขึ้น มันอาจจะมีเครื่องมือขนาดเล็กๆเน็บไว้ตรงใดตรงหนึ่งเนี่ยสามารถอัดเสียงได้หลายหลายชั่วโมงแล้วก็เข้าเครื่องเอามาฟังกันความลับทั้งหลายไม่มีในโลกแลยหายากแหัะสอดแทรกกระตรงไหนไปใส่ไว้ในผมในอะไรจต่ไรต่างได้หมดเลยเงั้น การไม่พัฒนาจิตแต่ว่าพัฒนาแต่วัตถุในสื่อวัตถุนั้นลระจะย้อนกลับมาเป็นอันตรายแก่คนซึ่งไม่ได้พัฒนาจิตโรงทรงมีพุทธจักสุขคือจักสุแบบพระพุทธเจ้าเป็นความประณนีชเช่นว่ามองดูต้องการจะดูการเกิดดับของชีวิตสัตว์โลกเนี่ย ดูทันนะฮะดูทัน่างที่มันเกิดดับไปในจั ก, กรวาลเนี่ยไปมันมันเยอะมากๆาแต่วิญญาก็ดูทันอย่าี้ทรงแสดงว่าจิตของเราเนี่ยมันเป็นคณะคณะหนึ่งเนี่ยมันมันเป็นแสนโกธขณะเกิดนับเป็นแสนโกดขณะไม่รู้ว่าจะนับยังไงนะเราไม่มีสติปัญญาในการนับแต่ว่า ตังสามปีที่แล้วเนี่ยคุณอะไรคุณปัญญานิรันดร์คุณอนาลิกาวิทยาศาสตร์มาแสดงแสดงทางโทรทัศน์นะฮะแล้วก็เปิดได้ดูว่าหนึ่งวินาทีเนี่ยขณะมันไปถึงห้าแสนกว่าขณะเรียกว่าหมุนติ้วเลยนะฮะคือดูไม่ทันไแัแหละ แต่นี่ก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าครงเข้าถึงมาด้วยพุทธจักสูตรเนี่ยจะสูแบบพระพุทธเจ้าจุติอุบัติจุติอุบัติจุติวัดจุติจุติวัดในที่ยิบก็ต้องเห็นทันแล้วก็มาชี้แจงแสดงคนรุ่นหลังที่ศึกษาแนววิธรรมันที่จริงก็ท่องเอานะฮะคือตัวเองดูไม่ทนันหรอก ท่องเราได้แต่ว่าดูไม่ได้เพราะสติเราไม่สมบูรณ์ปัญญาเราไม่สมบูรณ์ความเพียรเองก็ไม่ต่อเนื่องไม่เป็นกระแสอันเดียวกันพลังมันก็ไม่มากพอแล้วก็ใจเราก็ไม่สงบใจเราไม่สงบศรัทธาเราไม่แน่น ผลพออินรียห้าเข้าไปจับในมันมันมันล่องไปหมดเลยศรัทธาก็ไม่หนักแน่นความเพียนก็หย่อนสติก็ไม่เข้มแข็งไม่ต่อเนื่องสมาธิมันก็ไม่เกิดบัญญาก็ไม่แหลมบัญญาไม่คมไม่สว่างสวัยไม่ลุกโผรงอยู่ภายในใจ สิ่งสำคัญยิง่งพระองค์ก็มีสมัรตจักรสุคือตัวสปัญยุตญาณ์นะตัวนี้เป็นสมัรตจักรสุแปลว่าเห็นรอบเห็นรอบด้านเห็นหมดจุดอย่างสิ้นเชิงผู้ไม่มีปัญหาเป็นเครื่องทำใจบันไหวคือสรุปแล้วว่ามนุษย์เราเนี่นะคือตัณหาท่านสาชนต้องเข้าใจว่าก็คือรลกบนลงนะ่ะคือราคะโลภโทสะโมหะ แต่ว่ามันทําปฏิกิริยาต่อจิตที่แรงทันจึงแปลว่าถ้าเยอทยานอยากดิ้นรนท้เยอทยานอยากมันกระแทกจิตแรงมากจนถึงก็น้ามืดเขาเรียกว่าตัณหาหน้ามืดคิดอะไรไม่ออกกับเวลานั้ น, นเกิดตัณหาหน้ามืดขึ้นมาโดยเฉพาะพวกกรมมาตัณหาผู้ ว, วิภวตัณหาเนี่ย ตลอดถึงพราวะตันหาก็เหมือนกันแล้วก็น่ามืดเราไม่น่าเชื่อนะลูกฆ่าพ่อได้พ่อฆ่าลูกได้อย่าในราชวงศ์ต่างๆในประวัติศาสตร์ไนดะ้มีเยอะนะพวกฆ่ากันเองแย่งราชสมบัติกันอ่านพงศาวดารจีนประเทศเดียวก็ยุ่งแย่แล้วและประเทศตั้งยมันก็มีลักษณะอย่างไง้ นั่นก็แสดงให้เห็นว่าพวกนี้มันเกิดจากการมาตัณหาคืออยากได้แต่ต้องได้เนี่ยเราต้องเป็นด้วยจึงอยากเกิดเป็นภาวะตัณหาที่อยากเป็นเพราะเราไม่อยากเป็นอย่างที่เราเป็นอยู่ในขณะนั้นก็เป็นวิภวะตัณหาเลยครบชุดเลยครบชุดออกมาอย่างนั้นออกมามองเห็นคนที่ตรงที่ตรงกันข้ามกับตน อาจจะเป็นพ่ออาจจะเป็นน้องอาจจะเป็นพี่อาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่น่าสยองเนี่ยที่เขาฆ่ากั น, นยอย่าลืมว่าในราชวงศ์อยุธยาเนี่ยห้าราชวงศ์ฆ่ากันเยอะมากอย่าโอนึกไม่ได้นะฮะว่าท่านเหล่านั้นอยู่ดีปมีสุขดีอยู่หรือในปัจจุบันเนี่ยเวรนี้อยู่ที่ไหน เพราะว่าในขณะที่ท่านมีชีวิตท่านฆ่ากันเยอะเลยเกนแล้วมันก็ขัดแย้งนะฮะขัดแย้งประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาการศาเราส่วนใหญ่ก็เป็นธรรมิกราชมอยุธยาเองก็เป็นธรรมิกาชแต่ก็มีบางองค์ที่ข่าลางลาลกันรุนแรง แล้วก็คิดผ่าดแผลจนถึงก็เจ็ดชั่วโคตรลูกเด็กเล็กแดงก็ามาฆ่าคนเฒ่าคนแก่ก็ามาฆ่าไม่รู้ฆ่าทำอะไรเป็นอาการของโทสะของโลภะของโมหะกลัวจะถูกยื้อแย่งกลับตัญหานี่มันจึงเป็นตัวเหตุที่ยังสนให้เกิด แล้วก็ไม่สามารถตอบสนองได้แม่น้ำยังเต็มด้วยน้ำมหาสมุทรก็ยังเต็มด้วยน้ำแต่ว่าตันหาที่เกิดขึ้นภายในใจมนุษย์เนี่ยไม่มีคำว่าเต็มคำว่าอิ่มคาว่าพอคาว่าหยุดจึงทรงแสดงว่าแม่น้ำเสมอด้วยตันหาไม่มี โลกคร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จะกินเป็นธาตุของตัณหาผู้เจ้าทรงดับตัณหาได้อย่างสิ้นเชิงมันก็ไม่มีความปรารถนาจะได้จะมีจะเป็นเพราะว่าตัณหาที่เป็นเหตุให้ปรารถนานั้นมันไม่มีจริงคือแต่เรามองถึงความจริงตรงนี้ที่จริงคนเราที่เป็นบุถุชนทุกคนเป็นสัตว์โลกที่น่าสงสาร เกิดมารับใช้กิเลสส น, นองตัญหากิเลสกิเลสมันชาชักชักชักชัไปวิ่งมาเหนื่อยเงยย้อยเงยส้มเหน็ดเหนื่อยต่อสู้เสี่ยงภัยเสี่ยงอันตรายกันตัญหามันสั่งต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนู้นต้องเอาอย่างนี้ไม่ได้ด้วยเล่ก็เอาด้วยคนไม่ได้ด้วยมูลก็เอาด้วยคาถาก็นาเอ็นดูเทียบแล้วแค่แคคนถูกผีสิง คือจิตมันไม่ได้เลวร้ายอย่างนั้นครับเราตั้งไว้ถูกก็ได้ตั้งไว้ผิดก็ได้พัฒนาให้บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็ได้พัฒนาให้ตกกระเบียดมาพาไม่ตกตกระเบียดมานรกก็ได้กิเลสเขาสูงขึ้นเต็มที่เนี่ยก็อเวจียดมานรกหละกิเลสหมดไปอย่างสิ้นเชิงก็ปราณิพานหละ นั่นก็สแสดงให้เห็นว่าภายในจิตดวงเดียวกันนี่นแหละเอาอะไรมาปรุงแต่งละ่ะพระพุทธเจ้าเอาธรรมะมาปรุงแต่งจิตเทวทัตออกิเลสมาปรุงแต่งจิตแต่ก็รู้สึกสะใจนะฮะตอนต้นๆเนี่ยรู้สึกสะใจที่ได้ทําอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโ น, น้นนะแต่พอป่วยหนักเข้าก็เริ่มรู้สึกตัว พอถูกตรณีสูบก็สละกระดูกคางบูชาพระพุทธเจ้าเลยในขณะที่พระพุทธเจ้าข้าสู่ประนิพพานดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ระยะใกล้ชิดอยู่เบจีมานารกอีกเมื่อไหรก็จะได้กลับมาสู่โลกมนุษย์ก็ไม่รู้แต่พยวพเจ้าก็สทงทำนายไว้นะว่า ต่อไปพระเทวทัตจะได้เป็นพระปัจเจ้าพุทธเจ้าทรงพระนามว่าอาทิตสระเพราะเหตุว่าได้ถวายกระดูกคางเป็นพุทธบูชาต่อพระองค์ตัญหาเราก็ดับค่อยยากกันนะบก็สู้ค่อยากแล้เราจะเห็นว่าตัญหาพวกนี้มันปลายโน้สนะถึงระดับพระนาคามีาเริ่มจะดับได้คนทั่วไปมันก็ดับยาก ไม่ใช่ดับยากก็ดับไม่ได้ดับชิ้นเชิงนี่ไม่ได้ดับสินเชิงได้ก็ตอนเป็นพระนาคามีแต่ว่าดับได้เด็ดขาดก็ต้องเป็นพระอรหันและก็บางทีเราเรื่องนิพพานว่านิวารณะก็คือดับตัณหานั่นเอง ถ้าเรามีตันหาลถเนี่ยจิตใจเราจะไม่หวั่นไหวยกตัวอย่างว่ามีข่าวคราวคนบางคนประกอบธุรกิจมั่งคั่งร่ำรวยแต่เรามีตันหาย า, าตันหามากเราก็วางแผนคิดจะปล้นแต่ถ้าตันหาเราลดเราก็อู้มมุทิตาน่าชื่นชมก่อนนะน่าชื่นชมน่าดีใจกับเขา ที่เขาประสบความสมเ็จมันกลายเป็นมุติตาจิตมันพริกรับเป็นมุติตาแทนที่จะเลื่อนไหลไปสู่กระแสของตัณหาแล้วก็ทรงธทรรมพระนิพพานให้เป็นอารมณ์เสด็จพระนิพพานแล้วก็ในหนังสือพุทธวัติหนังสืออะไรล่ะ หมาปริพานณสูตรบอกว่าพระานุนเป็นคนถามแต่ว่าตอนนี้ท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายถามใครถามก็ได้นะฮะใครถามก็ได้เพราะว่าก็แล้วแต่จะยกประเด็นใดขึ้นมาทีนี้ในพระคาถาเหล่านี้เราจะพบว่าบางข้อเนี่ยเป็นการเล่าของพระอาจารย์ บางข้อเนี่ยเป็นการเล่าของพระนุรุตธาเทระเองทีนี้มันก็มีอักถะคือเนื้อหาบางประเด็นที่น่าจะทำความเข้าใจทำการศึกษาว่าไอ้ตรงเนี้ยหมายความมายังไงตรงนี้หมายความมายังไงพ ร, ระธารอาจารย์ท่านก็อธิบายคือก็คล้ายๆกับพจนานุกร ม, มนะฮะ คือภาษาบางทีเราสื่อสารเนี่ยเราไม่เข้าถึงกรอบเนื้อหาของภาษาตรงนั้นก็ต้องเปิดดูพจนานุ ก, มกรมประกอบของภาษาจริงๆเนี่ยท่านนิยามไว้ขนาดไหนก็ถือว่าพจนานุกรมเป็นบทลงตัวเพราะว่าจะท่านจะไขความเยอะ ทีนี้ของบาลีนี่จะไปกว่านั้นเลยนะถอดรากศัพท์มาเลยตั้งแต่ตัวอักษรตัวเดียว ม, มาเลยนะฮะเราก็ลากขึ้นมาแล้วประกอบประกอบด้วยถึงนั้นแปลอย่างนั้นถึงนั้นแปลอย่างนั้นรวมแล้วแปลว่าอย่างนั้นกรอบมันขยายไปอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเอราะนักศึกษ า, าออกจริงนี่ศึกษาลึกซึ้งกันนะแล้วก็ที่สําคัญอย่างยิ่งคือซองอัดแล้วก็ซองพยัญชนะ สองพยัญชนะก็คือสองรูปแบบของอักษรสองอัถะก็คือเนื้อหาของอักษรเหล่านั้นคำเป็นละคำเนี่ยตันหามันก็มีบทวิเคราะห์ของมันจึงออกมาเป็นตันหาทีนี้ท่านก็เล่าวต่อไปว่าพระผู้มีพระภาคทรงอดกลั้นเวทนาด้วยพระทัยที่เบิกบาน หมายความว่าพระไทยกับเวทนาเนี่ยเวทนามันเกิดที่กายนะฮะเกิดที่กายทิฏฐินิจัยเราถ้าไม่มีอัตตาเราไปรับว่าเราปวดเราเจ็บเราปวดเราเมื่อยเราเหนื่อยมันก็แยกกันอยู่อ่ะเวทนาก็สักแต่ว่าเทวเวทนาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน้นไม่ใช่เราไม่ใช่ข่าวแพระเจ้าตั้นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพราะฉะนั้น ในขณะที่ประสบทุกขเวทนาที่เสียดแทงด้วยโรคเขาเรียกปักขันกิกาภาส่ะทรงลงพระบางคนนักเป็นพระลุยหิตมาตั้งแต่ออกจากบ้านในยุนธาแล้วแล้วก็เด็ดเดียวมากนะคือสเสด็จพุทธดำเนิดมาแม้จะหยุดเป็นจังหวะจังหวะทิเบตเขาบอกว่าหยุดพักตั้งยี่สิบห้าครั้ง เราบอกหยุดพักสองครั้งครั้งหนึ่งก็เพื่อดื่มน้ําครั้งหนึ่งก็เพื่อพักผ่อนแต่ว่าเสด็จพุทธระหนึกไปเองไม่มีการหามไม่มีแค่ไม่มีอะไรไม่มีเตียงไม่มีตังที่จะให้พระพุทธเจ้าบรรทมบนบ น, บนเตียงบนตังบนแทน่นแล้วก็ช่วยกันหามไปก็ไม่ทำกันเพื่อต้องการจะสอนไหม ต้องการให้เราสอนต้องการสอนพวกพุทธศาสนิกชนในเห็นว่าแม้ศาสดายามประสบก็ทุกเวทนาขนาดนี้ลงพระบังคลหนักโรกโรกนะไม่ใช่เล่นนะเหนื่อยนะหมดแรงนะแต่ก็เสด็จพุทตรมเนินไปได้จนถึงพระแทน่นภายใต้ระหว่างนางรังทั้งคู่ เพราะนั้นท่านจึงบอกว่าทรงอดการอดทนด้วยพระไทยที่เบิกบานก็เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นดวงประทีปของโลกเป็นผู้ส่องทางแห่งความเสื่อมความเจริญให้แก่โลกที่ทางบรรทอทุกข์ที่สุขเกษมสารที่ทางพระนรุพาอนั้นพ้นโกประโยคไพ พร้อมเป็นจะพิจักสุจริวิมุลสายเห็นเอติใกล้ไกลก็เจนจบไปจักจริงจากส่ห้าก็อย่างที่ว่ามันแล้วตอนนี้ก็จะเห็นได้ถึงว่าจิตใจที่มาถึงระดับนี้ เ, เราจะถึงหรือไม่ถึงก็ตามนะฮะแต่ถ้าเรามีปัญญากำกับเรามีความเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย ในขณะที่เราสเสวยทุกเวทนาเนี่ยมันมีคนที่สเสวยทุกเวทนามากกว่าเราอย่างที่พระโมคค ร, ราชท่านไปนั่งกลางแดดนะท่านไปนโรคที่เกี่ยวกับผิวหนังเป็นประหารยังมีบิบักกรรมนะฮะเป็นโรคผิวเกี่ยวกับผิวหนังก็ไปนั่งพึ่งแดดอยู่ภิกษุทั้งหลายก็เห็นว่าแดดมันร้อนจัดเกิน ก็เข้าไปกราบเรียนท่านแต่ในขณะพระเหล่านั้นก็คุยกันขมวงฉงเฉงดังลั่นไปหมดท่านก็ต้องการเตือนภิกษุก็แสดงนิยะให้เห็นภิกษุก็เข้าไปกราบเรียนท่านว่าหลวงพ่อข้างนอกมันร้อนเหลือเกินนี่หมดหลวงพ่อเข้าไปอยู่ข้างในเถอะ ท่านบอกว่าไฟนรกเนี่ยมันร้อนมากกว่านี้นะคุณนะคือหมายความว่าการที่พระเหล่านั้นคึกขนองกันอยู่เนี่ยมันตกนรกนะแต่ว่าร้อนแสงแดดปเดี๋ยวมันก็หายนี่ก็เป็นอุบายวิธีของพระอรหันต์ที่ท่านต้องการจะสอนจะให้สติจะตักเตือน ตานในจิตใจที่เบิกบ้านเนี่ยหมายความพยายามแยกกายกับจิตออกจากกันจิตไม่สนใจกายจิตไม่สนใจกายสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวจิรยานาวงปรุปรชัยญาตของระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตอนที่ประชวนหนักอยู่ที่จุฬาเนี่ยกขาผาตัดนะฮะ ผ่ตัดแล้วก็หมอสมัยนั้นแวความเจริญทางการแพทย์ไม่ได้ก้าวมาถึงสมัยนี้เขาเอาเครื่องในจำนวนมากทีเดียวออกมาไว้ข้างนอกก็รุงรังหมอเขากราบทูลว่าจะต้องผ่าตัดแล้วไส้บางส่วนเนี่ยออกมาไว้ข้างนอกป้าบาทจะว่ายังไง ท่านบอกว่าเป็นเรื่องของหมอการไม่เกี่ยวคนโบราณเนี่ยใช้คำว่าสันนี่เป็นการเรียกว่ากัรไม่เกี่ยวท่านก็ปล่อผ่าอย่นีน้แต่ท่านก็ไม่เดือดร้อนอะไรเลยมีพระบางองค์เนี่ยท่านผ่าแล้วผ่าตัดเนี่ยท่านไม่ยอมให้ฉีดยาชาท่านบอกจะขอดูด้วยจะขอดูด้วย ก็นอนในจังหวะที่ท่านใจเห็นก็ผ่านแล้วก็ท่านก็รู้สึกเฉยๆก็ดูเฉยๆก็ไม่ว่าอะไรมางเราไม่ไม่เคยคิดนะว่าจิตท่านจะสูงส่งขนาดนั้นพอที่คุ้นๆกันเนี่ยท่านก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะวุ่นวาย เกี่ยมาความเสียงดังอีย่าบดการเครื่องไหวในกระจับกระเจิงบ้องไว้ปาดเปรี้ยวจะหยิบจะช่วยจะทําอะไรไมันคลอกไปได้วยหมดเลยจะดูแล้วไม่ค่อยจะเรียบร้อยแต่ว่าจิตใจท่านแหวนลึกซึ้งมากเลยหมอผ่าตัดนอนดูเฉยไม่ได้ว่าอะไรไม่เดือดร้อนอะไรแล้วไม่แสดงอาการเจ็บอะไรด้วยแล้วก็แสดงให้เห็นว่าเป็นการ พัฒนาจิตมาจุนจุดที่แยกจิตออกจากกายจิตเลยมาดูกายกายมันก็กลายเป็นสิ่งหนึ่งเหมือนกระท่อนไม้ที่ถูกผ่าไม่เอ า, อาตาเข้าไปรับไม่เอ า, อาตาเข้าไปแบกไว้กายกับจิตก็อิสระซึ่งกันและกัน มีญาติโยมที่เป็นชาวบ้านทำมาเป็นนั้นมากเนี่ยทําได้เยอะนะเรื่องคือไม่จะทําได้แบบพระพุทธเจ้าแต่ว่าทําตามพระพุทธเจ้านี่ได้แสดงความมาศเจริญในเห็นทางจิตใจแต่ของพระพุทธเจ้าแน่นอนก็ทางก็สมบูรณ์นะะสมบูรณ์ด้ยประการทั้งปวงเป็นดวงประชีพที่ส่องโลกคือส่องใจชาวโลก กับทั้งเทวโลกสเสด็จดับขันตมรมิพานะพก็เป็นสถาเดวมนุษยานางังบุตรโอภกวานะเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายการหลุดพ้นอย่างนี้เป็นการหลุดพ้นที่พิเศษสุดๆหมายความว่าทรงบำเพ็ญบารมีมาเป็นเวลาเสียสงไขยกับกมายแสนกับก็เพื่ออย่างนี้เพื่อวันเนี้ย เพื่อวันที่จะไป น, นิพพานพ้นไปจากสังสารวัฏวันก่อนหน้าหนังสือของพระใหม่เขาบวชสามเดือนน ะ, ะเจริญสมาธิอยู่ในสำนักของพระอาจารย์บัวเขาอ้างในนิมิตนะเขาเห็นพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์จำนวนมหาสารมามาเป็นสายรุ้งมาเลย แล้วก็เสด็จแต่ไม่ได้พูดคุยอะไรแล้วก็เห็นพระอาจารย์มั่นแล้วก็เห็นพระอาจารย์บัวอาจารย์บัวกระเตือนให้ยกมือไหว้อาจารย์มั่นอนนิมิตนั้นที่จริงมันก็เห็นได้ต่างๆแต่ถ้าเราไปติดใจใน น, นิมิตข้างนอก มันไม่ใช่บรรลุเป้าหมายคือการปฏิบัติสมถกรรมฐานในมันอยู่ที่เห็นข้างในไม่อยู่ที่เห็นข้างนอกข้างในก็คืออะไรคือการลดลงของนิวรณ์ทั้งห้าเป็นการเพิ่มขึ้นของธรรมะธรรมะที่ตรงกันข้ามกับนิวรณ์ห้าคืออะไรอะตอ น, ต, นต้นก็คืออสุภนิมิต คือเมตตาคือความเพียรคือความสงบของจิตคือโยนโสมานสิการเราจะเห็นลักษณะเหล่านี้ต่อเนื่องอยู่ภายในจิตออนั้นแสดงว่าจริงอย่างหลวงปู่ดูลนท่านพูดนะเขาเห็นจริงแต่ว่าสิ่งนี้เขาเห็นไม่จริง บนการเห็นอย่าไปติดใจเรื่องข้างนอกให่มากเป็นการอาศายเรื่องข้างในใเราสังเกตว่าคุณลักษณะการนิพพานของพระพุทธเจ้าทั้งหมดที่เระรู้แสดงเนี่ยมันเป็นการมองจากข้างในลมหายใจเข้าหายใจออกก็สงบแต่ก็นิพพานแต่ก็คงที่อะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ย มันเป็นการสะท้อนจากจิตจากพระไทยที่เข้าถึงความสมบูรณ์แห่งพระพุทธคุณของพระพุทธเจา้าแน่นอนเราโดยเสด็จเสด็จห่างๆก็ยังดีกว่าไม่เสด็จนะเดินไปบนเส้นทางเดียวกับพระพุทธเจา้าอยู่ไกลกันเป็นโยตโยตก็ไม่เป็นไรหรอก เพราะพรเจ้าไปนิพพานทางสายนี้แหละเราอีกกี่พบกี่ชาติไม่รู้ว่าอย่าทิ้งทางกันแล้วกันก็เดินไปตามทางที่เสด็จไปเดินไปเรื่อยๆมันก็ใกล้ไปเรื่อยๆเลยนะที่คนโบราณท่านก็เชื่อนะว่าท่านยังไปไม่ถึงหรอก กอนิพพานะปั จ, จโยโหตุก็ให้เป็นปัจจัยแห่งมรคนิพพานในอนาคตการเบื้องหน้าโนเนเถิดทำอะไรท่านก็บอกอย่างนั้นรู้ศักยภาพของตนว่าไม่มีพลังมากพอที่จะไปได้ไกลขนาดนั้นในชาตินี้แต่เราก็เตรียมกายเตรียมใจเอาไว้อย่าทิ้งรอยของพระพุทธเจ้าก็คืออรอยิยมรรค อย่างน้อยในสังคมปัจจุบันเนี่ยนะฮะสังคมปัจจุบันถ้าไม่ต้องการรุนแรงเอาสัมมาทิฏฐิตัวเดียความเห็นชอบความคิดชอบเอาสัมมาทิฏฐิสมาสังกปะมันเป็นอาการของสัมมาทิฏฐิความคิดชอบเนี่ยเป็นอาการของสัมมาทิฏฐิหมายความเมื่อเราเห็นชอบเราก็ต้องคิดชอบแล้วเราคิดชอบมันก็นําไปสู่การเห็นชอบเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยของกันและกัน ต้งฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากหมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติดไว้ด้วยเวลาหนึ่งเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณ์ในธรรมตงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี